อิทาเรื่องที่สิบพระเจ้าตรีวิกรมเสนเสด็จกลับมายังต้นอโศกอีกครั้งแล้วดึงเวตาลลงจากกิ่งเอาพาดบ่าไว้แล้วเดินทางกลับมาตามเดิมขณะทรงเดินมาอย่างเงียบๆเวตาลก็กล่าวขึ้นอีกว่าอ้อราชาข้ามีเรื่องดีๆจะเล่าให้พระองค์ฟังแก้เบื่อจงฟังเถิดในครั้งก่อนณนะบริเวณเชิงเขาหิมวัด ซึ่งเป็นภูเขาสูงไม่เคยมีผู้ใดสามารถปีนขึ้นไปถึงโดยที่แห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของลาววิทยาธรแห่งเมืองกะหนกนครมีพระเจ้าชีมูตะเกตเป็นราชาผู้ปกครองพระองค์ทรงมีพระโอรสนามว่าชีมูตะวาหนซึ่งสามารถระลึกชาติได้และเป็นพระโพธิสัตว์กลับชาติมาเกิดพระโอรสผู้นี้จึงเป็นผู้มีคุณธรรมและมีจิตใจเมตตาเป็นยิ่งนะ หน้าเมืองกรนกนครแห่งนี้มีต้นไม้สารพัดนึกหรือต้นกะหรับพฤกตั้งตระงานอยู่ใจกลางอุทยานซึ่งเป็นที่หวงแหนและเป็นที่เคารพของชาวเมืองทุกคนต่างพากันขอพรจากต้นไม้ต้นนี้โดยที่ไม่รู้จักพอขอได้แล้วก็มาขออีกจนกระทั่งเจ้าชายชีมูตวันผลทรงเห็นว่าทุกคนในเมืองต่างลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติอันเป็นของนอกกาย ไม่รู้จักเผื่อแผ่ผู้อื่นบ้างพระองค์จึงได้ทูลขออนุญาตจากพระบิดาเพื่อขอประทานสิ่งพึงปรารถนาแก่เพื่อนร่วมโลกโดยพระเจ้าชีมูตะเกตผู้เป็นพระบิดาก็กล่าวอนุญาตตามคำขอของพระโอรสดังนั้นพระโอรสก็เดินทางไปยังต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์และกล่าวแก่ต้นไม้นั้นว่าข้าขอให้ทุกคนบนโลกใบนี้ราศจากความยากจน และแลเพื่อไม่ให้<ม>ชาวเมืองกรนมนครเห็นแกนได้ไม่รู้จักพอท่านต้นไม้พิเศษจงไปตามทางปรารถนาของท่านเเมื่อชีมุตตวาหนกล่าวพร้อมกับพนมมือแสดงความเคารพเช่นนี้แล้วก็มีเสียงมาจากต้นกลรลาปพึกว่าเมื่อท่านรลดปล่อยข่าแล้วข้าจะขอลาจากท่านรับแต่นี้ ไม้สรพัดนึกก็ลอยขึ้นสู่สวรรค์และหลั่งฝนเป็นแก้วแหวนเงินทองโปรยปลายลงมามากมายทำให้คนยากคนจนทั่วนูกได้รับสมบัติทั่วหน้ากันการพระทาครั้งนี้ทำให้พระยาและชาวเมืองกรหลงนครเดือดร้อนเป็นอย่างมากต่างพากันรวมตัวขับไล่เจ้าชายชีมุตวาวฝนให้พ้นไปจากกรหลงนครเมื่อเจ้าชายไตรตรองเหตุการณ์ดูแล้วก็ทรงเห็นว่าหากนาทหารเข้าต่อสู้ ก็จะสีเลือดสีเนื้อคนบริสุทธ์ก็จะพลอยเดือดร้อนไปด้วยจึงทูลพระบิดาให้สละราชสมบัติมอบให้กับผู้ที่ต้องการในลาบยศนั้นพระเจ้าชิมูตะเกตผู้เป็นพระบิดาก็ทรงเห็นด้วยจึงทำตามคำขอของพระโอรสทั้งสองพ่อลูกก็ได้พากันหนีออกจากกรนกนครมุ่งหน้าไปยงังภูเขามารละยะแล้วสร้างอาสมกลางป่าอาศัยกันอย่างเรียบง่ายเวลาผ่านไป เจ้าชายชิมุตวะขนได้สหายคนใหม่ชื่อว่ามิตราวสุบุตรชายของหัวหน้านักทรสซึ่งอาศัยอยู่บนภูเขาแห่งนี้ทั้งสองต่าง ม, มีไมตรีจิตช่วยเหลือกันเรื่อยมาโดยตลอดอยู่มาวันหนึ่งเจ้าชายชิมุตวาขนได้เข้าไปเที่ยวเล่นในป่าและได้พบกับพระวิหารของพระแม่เคาลีจึงเข้าไปสักการะในที่แห่งนี้เจ้าชายก็ได้พบกับหญิงงามกาลังเล่นพิน ย่างไพเราะถ้กำกลางนางรับใช้สร้างความตื่นตะลึงให้แก่เจ้าชายยิ่งนักทําให้พระองค์ตกหลุมรักนางอย่างถอนตัวไม่ขึ้นเช่นเดียวกับหญิงสาวที่เห็นความงามของเจ้าชายก็ตกหลุมรักทันทีเหลอตัวลืมดีพินทําให้เสียงเพลงหยุดลงเจ้าชายได้สติก็เกิดความอยากรู้ว่านางคือใครจึงถามนางกำนันและได้ความว่านางชื่อมอนยวดีเป็นน้องสาวของมิตราวสุ และเป็นบุตรสาวของวิศวาวสุหัวหน้านักพรตแล้วนางกำนันก็สอบถามประวัติของเจ้าชายเมื่อนางมณฑย ว, วดีได้ฟังก็ยินดีให้นางกำนันเข้าทำความเคารพต่อเจ้าชายแทนตนเมื่อนางกำนันถวายมาลายแก่เจ้าชายพระองค์จึงนำมาสวมคอนางมณฑย ว, วดีฝ่ายนางมณฑย ว, วดีก็ได้มอบดอกบัวให้แก่เจ้าชายเพื่อแทนความหมายว่าทั้งคู่ได้มั่นหมายจับจองกันไว้แล้ว เมื่อถึงเวลาที่ต่างฝ่ายต้องกลับไปยังที่อาศัยของตนต่างก็อะไรอาวรกันยิ่งนักและได้นัดหมายมาพบกันณนะที่ตรงนี้อีกครั้งในวันรุ่งขึ้นเมื่อถึงกําหนดนัดหมายทั้งสองก็ได้มาตามนัดแต่ต่างฝ่ายต่างหากันไม่เจอเพราะยืนอยู่คนละด้านของต้นไม้ใหญ่นางมลเจวัดีเสียใจมากเพราะคิดว่าเจ้าชายทอดทิ้งตนจึงกล่าวต่อพระวิหารพระแม่เกาลีว่าชาตินเนี้ย ลูกไม่มีวาสนาได้เคียงคู่กับเจ้าชายชีมูตวาหนชาติหน้าขอให้ลูกสมหวังในสิ่งนี้ด้วยเถิดสิ้นคำกล่าวนั้นนางมนย ว, วดีก็ได้ทำบวงผูคอกับต้นอโศกทันใดนั้นก็ได้มีเสียงสวรรค์ดังขึ้นช้าก่อนลูกคู่ครองของเจ้าก็ อ, าอยู่ใกล้ๆเจ้านี่แหละเจ้าอย่าคิดสั้นไปเลยและแล้วสวรรค์ก็บันดาลให้เจ้าชายชีมูตวาหน ได้มองเห็นนางมนเจวดีเจ้าชายวิ่งเข้าไปช่วยนางจนสําเร็จและได้ปรับความเข้าใจกันครู่หนึ่งนางรับใช้ก็เข้ามาบอกข่าวว่าบิดาของนางมนเจวดีทราบประวัติความเป็นมาของเจ้าชายจากมิตราวสุผู้เป็นลูกชายจึงได้ยินดียกนางมนเจวดีให้แก่เจ้าชายข่าวดังกล่าวสร้างความปิติให้กับทั้งคู่เป็นอย่างมากในที่สุดทั้งสองก็ได้วิวา และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งวันหนึ่งเจ้าชายชีมูตวาขนพร้อมด้วยสหายได้เดินทางท่องเที่ยวไปยังป่าริมทะเลเมื่อมาถึงชายหาดทั้งสองก็ได้พบกับกองกระดูกมากมายสหายมิตราวสุได้เล่าว่าอย่าตกใจไปเลยกองกระดูกที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นของเหล่าพญานาคซึ่งในอดีตนั้น น, น, นางกัททรู มารดาของพวกพญานาค่ได้มีชัยชนะต่อ น, นางวินตามารดาของเหล่าพญาครุฑนางวินตาต้องตกเป็นท่ารับใช้ของนางกัตทรูได้รับความลำบากมาช้านานตอมานางวินตาเนี่ยได้คลอดลูกออกมาเป็นพญาครุฑที่ทรงพลังเมื่อเวลาผ่านไปครุฑตนนั้นก็ได้ทำการแก้แขนจับเหล่าพญานาค ก, กินจนตายไปมากพยาวาสุกิ พระชาเห็นหนาเคเกลงว่านางเนี่ยจะสิ้นเผ่าพันธุ์จึงสัญญาต่อพญาครุฑว่าจะสมนาคมาให้พญาครุฑกินทุกวันจนเป็นที่มาของกองกระดูกเหล่านี้แหละเมื่อเจ้าชายได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็เกิดความเศร้าใจที่พญาวาสุกิมีหัวตั้งพันธุ์ปากตั้งพันธุ์แต่กลับไม่เสียสละให้ครุฑกินก่อนจึงคิดทีจะช่วยเหลือโดยยอมเอาตัวเข้าแลกเป็นอาหารแก่พญาครุฑพระองค์ได้ออกอุบาย ให้มิตราวสุเดินทางกลับบ้านไปก่อนส่วนตนจะเดินเล่นไปพลางๆหลังจากที่มิตราวสุได้กลับไปแล้วท่านใดนั้นเจ้าชายก็ได้ยินเสียงร้องไห้ดังมาจากชายป่าจึงรีบตามเสียงดังกล่าวไปเมื่อมาถึงก็ได้พบกับชายหนุ่มผู้หนึ่งกำลังปลอบโยนหญิงชารานางหนึ่งเมื่อพระองค์เข้าไปสอบถามจึงได้ความว่าทั้งสองเป็นพญานาคแม่ลูกผู้เป็นลูกชายนั้น ได้ถูกเลือกให้มาเป็นอาหารของพยาครุตเจ้าชายชิมูตวาหนุนจึงเสนอตัวเข้าแลกกับชีวิตของแม่ลูกทั้งสองแต่ก็ได้รับการปฏิเสธเพราทั้งสองแม่ลูกนั้นซึ่งในน้ำใจที่พระองค์มีให้จึงไม่อยากให้คนดีมีเมตตาอย่างเจ้าชายชิมูตวาหนุนต้องมาจบชีวิตลงนาคหนุ่มจึงกล่าวลามารดาแล้วเดินไปสักการะพระศิวะในเทวาลัยก่อนที่จะตายฝ่ายมารดาก็จำใจเดินทางกลับไปทั้งน้ำตา ฝ่ายเจ้าชายชีมูตวาหุ่นยังยืนรอพระยาคุดอยู่ที่ริมชายหาดนั้นไม่นานพระยาคุดตนดังกล่าวก็บินมาและโฉบเอาร่างของเจ้าชายขึ้นไปยังท้องฟ้าระหว่างที่ร่างของเจ้าชายอยู่ในกรงเล็บอันคมกริบเจ้าชายก็ได้อธิษฐานว่าข้าขอเสียสละร่างกายเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์และแม้ว่าจะเกิดอีกกี่ชาติข้าก็จะช่วยเหลือสัตว์โลกเช่นนี้เสมอไป ขณะนั้นนางมนยัวดีกำลังออกตามหาสามีอย่างเร่งรีบก็บังเอิญพบมงกุฎเพชรตกลงมาตรงหน้านางจำได้ว่าเป็นของสามีจึงรีบนำกลับมาให้พ่อและแม่ของเจ้าชายดูระบิดาจับยามดูก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจึงรีบพากันไปหาพญาครุฑเป็นเวลาเดียวกันกับที่นาคหนุ่มกลับมาจากสการะพระสิวะเขาได้พบกับรอยเลือดจึงรีบเดินตามไปเพื่อช่วยเหลือเจ้าชาย ณบริเวณหน้าผาสูงเจ้าชายนอนสงบนิ่งขณะที่พญาครุฑก็กำลังฉีกเนื้อกินฝ่ายพญาครุฑรู้สึกสงสัยที่เยือนอนเฉยราวกับไม่เกรงกลัวต่อคอวามตายกลับมีสีหน้าอินเ อ, อิบพอใจพญาครุฑจึงถามว่าจะไม่ใช่นากนี่แล้วทำไมถึงยินยอมให้เป็นอาหารของข้าบ่าข้านี่แหละคือหน้าเวลาเดียวกันสังคจูทะ ก็ปีนผาขึ้นมาพอดีรีบร้องตะโกนประกาศว่าตนคือ น, น้าให้ปล่อยตัวเจ้าชายไปเป็นเวลาเดียวกับที่บิดามารดาและภรรยาของเจ้าชายเดินทางมาถึงถร้องตะโกนให้ภรรยาพุทธอย่าทาร้ายเจ้าชายไม่ทํานไรชีมูตะวหนซึ่งเหลือบมองครอบครัวเป็นครั้งสุดท้ายก็สิ้นใจลงบิดามารดาร่ำไห้ราวจะขาดใจฝ่ายสังขัด จ, จูทะก็กล่าวโทษตัวเอง ฝ่ายนางมูลยบดีก็ตัดพอต่อว่าสวรรค์ว่าพระองค์ประธานสามีผู้เป็นจอบจากระพัดมาให้ค่ะแต่ก็ส่งปล่อยให้เขาสิ้นลมหายใจไปอย่างนี้หรือท่านใดนั้นพระแม่เขารีก็ปรากฏตัวและหลังน้ำทิพย์ในพระเต้าทักษิโนโทกลงบนร่างของเจ้าชายชิมุตาวาหนจนกระทั่งฟื้นคืนชีพมาในที่สุดสภาพบาดแผลที่เกิดขึ้นก็ได้หายไปหมดสิน้น พระแม่เขาวรีก็ได้ประทานพรให้เจ้าชายทรงได้เป็นจักรพรรดิแห่งวิทยาทรตราบชั่วกันและแล้วพระแม่เขาวรีก็หายไปฝ่ายพญาครุฑเมื่อสานึกผิดจึงประทานพรให้เจ้าชายหนึ่งข้อเจ้าชายจึงขอให้พญาครุฑเลิกทำร้ายบรรดาพญานาคทั้งหลายและชุบชีวิตโครงกระดูกนาคเหล่านั้นให้กลับคืนชีพอีกครั้งพญาครุฑก็ยินยอมทาตามความประสงค์ของเจ้าชาย เรื่องทั้งหมดก็จบลงอย่างมีความสุขแต่ข้ามีคาถามอยู่ข้อหนึ่งข้าอยากรู้ว่าระหว่างชิมูตวาผนกับนาคหนุ่มนั้นใครคือผู้ที่มีความอดทนมากกว่ากันหากท่านรู้แล้วไม่ตอบรู้หรือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าตรีวิกรมเสนนิ่งคิดอยู่พักหนึ่งและจึงตัดสินใจตอบคำถามของเวตาลขึ้นว่าผลที่กล้าหาญมากที่สุดก็คือนาคหนุม เพราะเขามีโอกาสหนีแต่ก็ไม่หนีส่วนเจ้าชายนั้นเนี่พลาอาหารเสียจนกลายเป็นเรื่องปกติแล้วดังนั้นจึงไม่แปลกอะไรที่เขาจะสละชีวิตท่านพลาดอีกแแววท่านราชาขคาจะต้องเอาตัวเจ้ากลับไปให้ได้ถ้าอย่างนั้นท่านก็จงตามข้ามาอีกครั้งเถอะนะ การเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อความสุขโดยรวมเป็นสิ่งที่น่านับถือยิ่งนัก